เชิงเขาทางขึ้นสู่ถ้ำสาริกาพระธุดงคแบกกลดไว้บนบ่าสพายบาทถือกาน้ําเพื่อเตรียมตัวขึ้นไปบนถ้ำสาริกาแต่บรรดาญาติโยมที่ท่านได้เทศนาโปรดตลอดเวลาเจวันที่พระธุดงพักปักกลดเพื่อรอเวลาขึ้นไปบนถ้ำสาริกาหัวหน้าหมู่บ้านก้มลงกราบแทบเท้าพร้อมกับกล่าววิงวอนให้พระธุดงยุติการขึ้นไปบนถ้ำสาริกาอย่าขึ้นไปเลยหลวงพ่อบนนั้นมีแต่ความน่ากลัว หมอผีที่ว่าเก่งพอขึ้นไปหาสมบัติที่เชื่อว่ามีอยู่ในถ้ำเคยปราบผีมาร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำขึ้นไปแล้วก็ไม่ได้เดินกลับลงมาสักคนก็มีชาวบ้านช่วยกันหามศพลงมาเพื่อทาการชาปนกิจพระหลายองค์แล้วที่เดินทางขึ้นไปก็ต้องถูกหามลงมาพวกเราเป็นห่วงหลวงพ่อที่จะขึ้นไปเกรงจะได้รับอันตรายจนถึงแก่มรณภาพ เมื่อพระธุดงได้ยินดังนั้นก็หยุดเดินพร้อมกับหันมามองดูชาวบ้านด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปด้วยเมตตาก่อนกล่าวกับชาวบ้านที่มาขวางทางว่าความตายเป็นของธรรมดามีใครบ้างที่เกิดมาแล้วไม่ตายไม่ขึ้นไปตายในถ้าก็อาจจะเดินเข้าไปตายในป่าความตายเป็นความพลัดพรากที่น่ากลัวของคาราวาสแต่สําหรับสิทธิ์าคตแล้วไม่เคยกลัวความตายเก่งกว่าหลวงพ่อก็มีขึ้นไปรวดเดียวสี่องค์ ล้วนเก่งด้านคาถาอาคมขึ้นไปไม่กี่วันก็เดินลงมามีแต่สบงกับอังสะพูดจาเลอะเลือนไม่รู้เรื่องบอกแต่ว่าผีในถ้ำน่ากลัวมากน่ากลัวมากกว่าจะแก้ไขได้เนี่ยใช้เวลาไปสลายวันพอได้สติก็คว้าบริขารทุดงที่ชาวบ้านขึ้นไปเก็บลงมาเปิดแนบไปด้วยความอายเอาเถอะพาอัตมาขึ้นไปบนถ้าสลิกาได้แล้วการนาทางอัตมาขึ้นไปที่ถ้ำสลิกาถือว่าเป็นกุศ ล, ลกรรมนะโยม ส่วนการมาขัดขวางทางขึ้นไปปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นอกุศลกรรมโยมเลือกเอาทางใดทางหนึ่งก็แล้วกันชาวบ้านทั้งหมดนะคะที่มาขัดขวางพระทุดงไม่ให้ขึ้นไปที่ถ้ำสาริกาค่ะก็หมดหนทางแล้วค่ะจำเป็นจะต้องนำทางพระทุดงเพื่อที่จะขึ้นไปยังถ้ำสาริกาพระทุดงจัดบริขารให้เข้าที่ก่อนเพื่อที่จะให้ญาติโยมกลับลงไป ตอนเช้าก็จะได้เดินลงไปบินทบาทเพื่อให้เห็นว่ายังไม่มรณภาพชาวบ้านบอกว่าหากมีเหตุต้องขอความช่วยเหลือก็ให้ลงมาได้ทุกเวลาก่อนจะพากันกลับมาที่ตีนเขาคืนแรกในถ้าก็ต้องผจนกับความเวทนาค่ะเมื่ออาหารที่ฉันเข้าไปไม่ย่อยถ่ายออกมาห ย, ยาบหยาบปวดมวนท้องมีโลหิตปนกับอุจจาระใช้สมุนไพรที่เตรียมมาก็ไม่บรรเทา ก็เลยได้เข้าสมาธิภาวนาเพื่อระ ง, งับอาการเวทนาจนค่อยๆบรรเทาลงและได้กําหนดจิตว่าเวทนาครั้งนี้จักไม่ใช้ยาสมุนไพรรักษาแต่จะรักษาด้วยธรรมโอสถอันได้แก่พชชง7ประการแยกกายกับจิตออกจากกันเวทนาจะได้ระ ง, งับลงจิตกลับรวมกับกายทดสอบเวทนารวมแล้วแยกแล้วกลับรวมใหม่ก็ไม่พบเวทนา ภาวนาทำสมาธิจนธาตุทั้งสี่เป็นปกติก็ถอยจิตออกสู่อุปาจาระสมาธิแสงสว่างจากสมาธิศาสตร์ไปทั่วจนไปกระทบกับสิ่งหนึ่งที่ซุ้มซ่อนคอยสังเกตการคล้ายกับใช้ไฟฉายส่องเข้าไปในหลืบที่มีผู้ซ่อนตัวอยู่พอถูกแสงศาสตร์ไปกระทบจึงสวนแสงไฟฉายออกมาร่างที่ซุ้มอยู่ปรากฏขึ้นเป็นใบหน้าสี่เหลี่ยมคิ้วหนาตาพองผิวกายสีดาแววตาเต็มไปด้วยความอมหิต ขยับกระบองที่ถืออยู่ในมือพร้อมเดินมาอย่างหน้าพระทุดงและแผดเสียงตะวัดลั่นมากันอีกแล้วเหรอล้วนแต่กเก่งกันทั้งนั้นสุดท้ายก็เพ่นแนบดูกระบองนี้สิช้างป่าถูกตีตูมเดียวจมดินรูปร่างบอบบางอย่างนี้ทุบเพียงเปาะๆกระดูกกระเดี่ยวหักปนปี้เอาซะดีไหมเนี่ยไม่รู้จักเลย ว, ว่าข้าคือขโมวดพลยเจ้าป่าผู้ปกปักรักษาพื้นที่นี้อยู่ พระธุดงกำหนดจิตติดต่อกับร่างที่กำลังคุกคามอยู่จนสามารถเชื่อมต่อสนทนากันแล้วก็ได้เริ่มการเจรจาด้วยความเมตตาค่ะตั้งแต่อาตามามไปอยู่ในถ้ำ น, นี้เคยทำอะไรให้ท่านต้องเดือดเนื้อร้อนใจอันใดหรือเคยใช้อำนาจกับท่านหรือข่มขู่ท่านบ้างหรือไม่ทำไมจะต้องถูกตีด้วยกระบองก็ทีเนียมันเป็นเขตปกครองของข้าได้รับสิทธิในการครอบครองอย่างถูกต้อง ไม่ว่าใครหน้าไหนจะเข้าจะออกก็ต้องบอกกล่าวเล่าแจ้งแก่ข้าจะมาทำตัวเหนือข้าไม่ได้หรอกอัตมาไม่เคยทำตัวเหนือท่านนะหากแต่ทำตัวเหนือจิตใจของอัตมาเองเท่านั้นเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการเอาชนะใจคือชัยชนะอันประเสริฐที่สุดนั่นแหละมันเป็นที่ของข้าข้าปกครองอยู่ข้าไม่ยอมให้ใครมาใช้ที่ของข้าเป็นใหญ่ทาอะไรตามใจชอบข้ามีอานาจสมบูรณ์เหนือสรรพสิ่งที่นี่ เอาละอาตมาพยายามชนะใจตัวเองเพื่อมีได้ทำร้ายผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นตัวท่านเคยเอาชนะใจตัวเองได้สักครั้งหนึ่งหรือไม่พูดไปก็มากเรื่องเมื่อไม่ฟังก็ต้องเห็นดีกันละร่างนั้นก็ยืดสูงขึ้นนะคะจนศีรษะชนเพดานถ้ำตาลุกแดงเหมือนถ่านไฟกระบองในมือถูกกุมไว้ด้วยมือทั้งสองยกขึ้นสุดลำเตรียมตีกระหน่ลงบนศีรษะของพระธุดง์ เสียงพระธุดงติดต่อกับยักษ์ด้วยกายทิพย์บอกว่าตีลงมาได้เลยอาตมาไม่เคยหวั่นก็สังขารนี่แหละที่ผู้คนเขายึดติดว่าเป็นตัวกูของกูแต่สำหรับอาตมาแล้วเป็นเพียงสิ่งที่เป็นอนัตตาย่อมมีเกิดขึ้นมีตั้งอยู่แล้วก็ดับไปได้ในที่สุดหาได้อะไรกับสังขารนี้ไม่ท่านคิดว่าท่านเป็นอมาตะหรอเปล่าเลยนี่คือสิ่งสมมติว่าเป็นท่านเป็นอาตมาเท่านั้นเองท่านเองก็เกิด พอหมดเวลาของท่านแล้วท่านก็จะต้องทอดทิ้งโลกนี้ไปเมื่อมีผู้อื่นมาทำหน้าที่แทนท่านพอสิ้นคำของพระทุดองา์ร่างของผู้ถือกระบองอยู่ตรงหน้าสันสทานมือที่ถือกระบองทอดลงข้างลำตัวร่างที่สูงจนศีรษะชนเพดานถา้ำกลับลดลงมาเหลือเท่ากับคนธรรมดาทั่วไปพร้อมกับกล่าวกับพระทุกง์อยางอ่อนน้อม ข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าคือเทพารักที่มีหน้าที่คุ้มครองดูแลป่าและสัตว์ป่าตลอดจนถ้าเถื่อนผืนป่าและเทือกเขาใหญ่นี้หลายคืนแล้วที่ข้าได้เห็นแสงสว่างพวยพุ่งออกมาจากถ้าสัลิกาแสงนั้นทำให้ข้าลืมตาไม่ขึ้นร่างกายอ่อนปลกเปียกได้แต่นึกว่าแสงสว่างนี้เหตุดใดถึงมีอำนาจเหนือตัวข้าเป็นแสงสว่างและพลังอันน่าศรัทธาเป็นที่สุดแต่ว่าในใจ คิดว่าหากไม่ทําอะไรให้เด็ดขาดต่อไปบรรดาบริวารทั้งหลายที่ข้าปกครองอยู่จะไม่ยำเกรงจึงจําต้องต่อต้านท่านสแสดงกิริยาอาการที่เคยทํากับบริวารของข้าเพื่อรักษาหน้าเอาไว้เป็นกรรมหนักหนาแล้วขอให้ท่านผู้เจริญได้โปรดเมตตาอย่าถือเป็นเวรเป็นกรรมกับข้าเลยพอพระธุดงได้ฟังดังนั้นก็หลับตาพร้อมกับแผ่เมตตาอันหาประมาณมิได้ออกไปยังร่างของยากษร้าย ดวงวิญญาณแห่งขมดพรร่างของขมดดพรก็กลายเป็นเทพมีรัศมีพวยพุ่งออกจากเศียนพร้อมกับก้มลงกระดาบตรงหน้าที่ท่านนั่งปฏิบัติธรรมกล่าวกับพระธุดงว่านี่คือร่างที่แท้จริงของข้าร่างที่เป็นขมดพรก็เพื่อจะก่อความน่าเกรงขามต่อบรรดาพูดผีปีศาจในเขตปกครองของข้าทุกตนเท่านั้นเองพระธุดงปฏิบัติธรรมท่ามกลางความวิเวก ตกดึกนะคะเทวดากับบรรดาบริวารก็ได้ติดต่อขอฟังพระธรรมเทศนาเมื่อพระธุดงเก็บบริขารจะกลับลงมาเทวดากับบริวารต่างพากันขอร้องให้อยู่ต่อแต่ว่าพระธุดง์ก็ได้ตอบปฏิเสธเพราะว่ามีกิจที่จะต้องทำอีกมากมายลงมาด้านล่างก็พบกับชาวบ้านเพื่อเดินทางต่อไปชาวบ้านที่มายืนรอต่างพากันร้องไห้นะคะแล้วก็เดินมาส่งพระธุดงจนถึงเส้นทางที่จะเดินไปสู่โลกภายนอก ชาวบ้านเหล่านั้นต่างพากันร้องไห้อาลัยกับพระธุดงที่จะเดินทางสแสวงหาความวิเวกเพื่อหลุดพ้นจากโลกมนุษย์ไปสู่โลกนิพพานจนกระทั่งร่างของพระธุดงคค่อยๆหายลับตาไปรีบเรียงจากประวัติท่านพระอาจารย์มั่นผู้ริทัตโตประมุขแห่งกองทัพธรรมแดนอีสานมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังนะครับเป็นเรื่องของเทวดาจำแลงค่ะ ว่าสันตะฤดูสายฝนสาดลงมาสร้างความชุ่มชื้นให้กับแผ่นดินแต่ว่าถ้าตกมากเกินไปแทนที่จะชุ่มฉ่ำกลับทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้คนท่านกลางสายฝนอันสาดสายร่างของแม่ชีชราเดินฝ่าสายฝนอย่างทุลักทุเลสายตาอันฟ้าฟางก็มองไปข้างหน้าสองขาก็ค่อยๆก้าวเดิน ด้วยเกรงว่าจะลื่นล้มลงไปบนดินอาจทำให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บและก็เป็นภาระให้กับพระภิกษุลูกชายต้องเดือดร้อนสายฟ้าแลบแปล บ, ปลาบสายฟ้าฟาดลงตรงต้นไม้ใหญ่ข้างหน้าเป็นสัญญาณเตือนว่าการเดินทางกลางแจ้งอาจถูกฟ้าผ่าตายได้ง่ายๆสายตาอัน ฟ, ฟ้าฟางมองเห็นสาลาพักคนเดินทางอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนัก ก็เลยได้สาวเท้าก้าวเดินไปยังศาลาพักคนเดินทางข้างหน้าพอถึงตีนบันไดเนี่ก็เลยรีบเดินขึ้นไปนั่งหลบฝนบนศาลาหลังนี้ศรัทธาสาธุชนได้ร่วมใจกันสรทรัพย์สร้างเป็นศาลาพักคนเดินทางก่อนถึงวัดหนองวัวซอเพื่อให้หายเมื่อยละจากการเดินเข้ามาจากปากทางซึ่งเป็นระยะทางไกลพอสมควรพอนั่งลงบนที่นั่งหยิบผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดหน้าเช็ดผมพอหมาด พลันแม่ชีชาราก็ต้องสะดุ้งตกใจเมื่อสายตาเนี่ยมองไปเห็นสตรีนางหนึ่งหน้าตาคิ้วคางสวยสดงดงามเหมือนเป็นนางเอกลิเกหรือหมอลำเลยนะคะแต่งกายด้วยชุดไทยโบราณมีลายดอกดวงนูนงดงามมีผ้าสบายที่ปักดอกนูนงดงามทับไว้อีกชั้นตกตะลึงค่ะพร้อมกับจ้องมองดูหาบผลไม้ที่วางถัดเข้าไปด้านในเสียงหญิงสาวกล่าวทาลายความเงียบขึ้นก็เลยทาให้มชีชาราได้สติ ไม่ต้องตกใจหรอกจ้าฉันไม่ใช่นานงเอกลิเกหรือหมอลำที่แม่ชีกำลังคิดอยู่หรอกฉันคือพระนางมัดซีพระมเหสีของพระเวสสันดรในมหาชาติยังไงละจ๊ะเจ้าค่ะแต่การมาในสถานที่เปลี่ยวอย่างนี้มันอันตรายเพราะคนพ่านสันดานหยาบและศีลธรรมมันจะข่มเหงเรังแกเอาเมื่อฝนหายแล้วเดินไปพักที่วัดหนองวัวซอกับยายก็ได้จะได้ปลอดภยัย สตรีสูงสักที่อ้างว่าเป็นพระนางมัทซีเนี่ยก็ยิ้มอย่างเบิกบานค่ะพร้อมกับเดินมาจับบ่าทั้งสองของแม่ชีชราขอบใจจะยายเดี๋ยวฝนหายแล้วฉันจะเดินทางกลับไปอาศรมเองอยู่ไม่ไกลนักหรอกแม่ชีรีบไปหาพระลูกชายเถิดฝนซาเม็ดลงแล้วก็อย่าเป็นห่วงฉันเลยแม่ชีชรายกมือขึ้นไหว้พระนางมัดีพร้อมกับคิดในใจว่าโอ้บุญมากๆที่ได้มาพบพระนางมัดีตัวจริง ไม่ใช่ภาพวาดในภา พ, พระบททั่วไปจึงลุกขึ้นเตรียมตัวเดินทางต่อแต่ก็ไม่ลืมกล่าวกับพระนางมัตซีว่ารออยู่นี่ก่อนนะเจ้าคะแม่ชีจะรีบไปหาพระลูกชายแล้วจะรีบพากลับมาที่นี่เพื่อพบกับพระนางท่านคงดีใจหลายเมื่อได้พบกับพระนางมัสซีอย่ารีบไปไหนนะจ๊ะไปเถอจ่าแม่ชีอย่าชักช้าเลยเวลาไม่คอยท่า แม่ชีชราก้าวเท้าลงจากศาลาพร้อมกับเดินดุ่มๆไปข้างหน้าค่ะแต่ไม่ลืมหันกลับไปมองดูที่ศาลาก็ยังคงเห็นพระนางมาัซีโบกมื อ, อยอ ย, อยๆไม่นานนักก็ถึงวัดหนองบัวซอซึ่งแม้จะเป็นวัดป่าแต่ก็มีพระอยู่เป็นจำนวนมากแต่ว่าแม่ชีเนี่ยจำสถานที่ตั้งของกุฏิจำพรรษาพระลูกชายได้อย่างแม่นยา ไม่กี่นาทีแม่ชีชราเดินมาถึงหน้ากุฏิพระลูกชายพร้อมกับร้องตะโกนเรียกด้วยเสียงอันดังด้วยความตื่นเต้นท่านชอบเจ้าคะท่านชอบโยมแม่มรรมาสการเจ้าคะทุกอย่างเงียบไม่มีเสียงตอบรับแม่ชีชราจึงตะโกนเรียกอีกสองสามหนประตูกุฏิจึงเปิดพระลูกชายครองจีวอนเป็นปริมณฑลส่งเสียงถามโยมแม่ว่า โยมแม่มีอะไรให้อัตมารับใช้หรือจึงฝ่าฝนมาด้วยความยากลําบากขึ้นมาพักบนกุฏิของอัตมาก่อนเถิดฝนกําลังตกหนักโอยไม่ขึ้นหรอกจ้าโยมจะนําท่านชอบไปพบกับพระนางมัตซีพระนางมาพักหลบฝนอยู่ที่ศาลาพักคนเดินทางก่อนถึงวัดหนองวัวซอโยมบอกให้ท่านรอให้ท่านชอบไปชมบารมีท่านเมื่อพระลูกชายได้ยินดังนั้นก็ทําสีหน้าฉงนและวค่ะก่อนจะพูดกับโยมแม่บอกว่าพระนางมัตซีเหรอ อาตมาเคยได้ยินว่ามีแต่ในภาพพระบทเท่านั้นมีองค์จริงด้วยหรอโยมแม่มีจริงๆนะท่านชอบโยมเพิ่งคุยกับพระนางมาเมื่อไม่นานมานี้เองเร็วเขาเถอะอย่าให้พระนางรอนานเกรงใจท่านเมื่อพระภิกษุลูกชายทนต่อเสียงเรียกร้องของโยมแม่ไม่ได้จึงหันกลับเข้าไปในกุฏิหยิบย่ามพร้อมกับเดินกลับออกมาปิดประตูกุฏิแล้วก็เดินลงจากกุฏิมาสมทบกับโยมแม่ พอลงมายืนคู่กับโยมแม่เสียงประหลัดก็ดังขึ้นซึ่งเสียงประหลาดนั้นเป็นเสียงของต้นยางอายุมากขนาดสองคนโอบที่ขึ้นอยู่ด้านหลังรากชุ่มฝนจนไม่อาจจะยึดพื้นดินอยู่ได้อีกต่อไปจึงโค่นลงมาทับกุฏิของพระลูกชายของแม่ชีเนี่ยแหลกยับไปทั้งหลังหากพระลูกชายไม่รีบออกมาจากกุฏิป่านนี้ร่างคงจะแหลกเละอยู่ในซา ก, กุติพร้อมกับหันไปพูดกับโยมมารดา ขอพระคุณโยมแม่มากหากโยมแม่ไม่มาเรียกอัตมาออกมาข้างนอกอัตมาคงมรณภาพอยู่ในซากรุติไปแล้วรีบไปเถิดเจ้าค่ะพระนางจะรอนานแม่ชีชาราบอกลูกชายเมื่อพระภิกษุลูกชายได้ฟังดังนั้นก็เลยต้องรีบสาวเท้าเดินตามโยมมารดาไปติดๆพักหนึ่งจึงมาถึงศาลาพักคนเดินทางแม่ชีชารารู้สึกผิดหวังเพราะว่าไม่มีวีแววของพระนางมัตซีอยู่ที่นั่น แม่ชีชราหันกลับมาพูดกับพระลูกชายด้วยความผิดหวังว่าโยมไม่ได้มุสาวาทกับท่านชอบนะโยมพบกับพระนางมัซีจริงๆเมื่อกี้ยังคุยกับพระนางมัซีอยู่ยกยกยังบอกให้พระนางรออยู่ที่นี่เพื่อที่จะไปพาพระลูกชายเนี่ยมาเฝ้าพระลูกชายกวาดสายตาไปรอบๆศาลาพลันสายตาก็ไปสะดุดเข้ากันกับภาพพระบด ท, ที่ผู้มีจิตศรัทธาสร้างใส่กรอบประดิษฐานไว้บนศาลา เป็นภาพกันมัดซีที่พระนางมัดซีกำลังหาผลไม้ที่ทรงเก็บมาจากป่าเพื่อที่จะกลับไปถวายพระเวสสันดรโดยมีเสือโคร่งสองตัวนอนขวางทางสเสด็จพระดำเนินกลับบรรณศาลาเพื่อขัดขวางพระเวสสันดรในการประทานสองกุมารให้กับเท่าชูชกที่มาขอพระราชทานพระโอรสและพระธิดาพลันจุกคิดขึ้นมาได้ว่าการที่โยมมันดาเดินทางมาพักที่ศาลานี้ หากเทวดาไม่จำแรงร่างเป็นพระนางมัตซีมาให้โยมแม่ได้เห็นโยมแม่คงพักอยู่ที่ศาลานี้นานจนไม่สามารถช่วยชีวิตพระลูกชายจากการถูกต้นยางค้นทับกุฏิได้ทันเวลาแน่นอนพระลูกชายสรุปว่าโยมมารดาบอกกับอัตมาว่ารู้สึกเป็นห่วงอัตมาแต่เช้าพอโยมมันดารับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วก็เลยต้องเร่งเดินทางมาจนพักหลบฝนที่ศาลาพักคนเดินทาง ได้พบกับพระนางมาัซีทำให้โยมแม่ของอัตมาเนี่ยเร่งเดินทางมาหาอัตมาจนทันเวลาที่จะช่วยชีวิตอัตมาไว้ได้ในที่สุดคุณผู้ฟังค้าเทวดามีอยู่ทุกหนทุกแห่งตามที่ปรากฏในพระอภิธรรมปิดกว่ามีถึงส6หชั้นฟ้า15ชั้นดินส่วนพรมก็มีอยู่ถึงสิหชั้นจากอรูปประพรมจนถึงอรู ป, ประม การบูชาเทวดาที่เรียกว่าเทวตาพลีนั้นเป็นความถูกต้องตามมงคลสูตรที่ว่าบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นอุดมมงคล น, นั่นเองค่ะเรียบเรียงจากประวัติชีวิตในทางธรรมของหลวงปู่ชอบฐานะสโมวัดป่าสมนานุสรอ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย พระภิกษุหนุ่มผู้ใฝ่ใจในเรื่องวิปัสสนากรรมฐานหลังจากได้ทุดงไปตามป่าเขาลำนาวไพรผจญภัยโลดผนในที่สุดค่ะก็ได้ตัดสินใจไปนั่งเจริญจิตภาวนาที่กองฟอนวัดชายคลองบนเส้นทางที่ทุดงผ่านที่เล่าลือกันว่าผีดุ พระที่ว่าแน่ๆปลากกอยู่ไม่เกินหนึ่งคืนค่ะพอเช้านี่ก็เห่นแนบกันแทบทุกรูปทั้งนี้พระอาจารย์ผู้ที่ขึ้นกรรมาฐานให้ก็ได้สอนว่าเมื่อทำสมาธิภาวนาในกุฏิได้มั่นคงแล้วก็พึงเปลี่ยนสถานที่ที่เป็นถ้ำเถื่อนเรือนว่างหรือว่าป่าช้ากองฟอนเพื่อทดสอบจิตของเราว่ามีความกลัวความเข่าอยู่หรือไม่เพราะว่าความกลัวความเข่านั่นแหละจะทาให้เรารู้ได้ด้วยตัวเองว่าอะไรจริงอะไรเท็จ ส่วนถ้าเถื่อนเรือนว่างแล้วก็ไปมาหมดแล้วเหลือเพียงกองฟอนเท่านั้นหากว่าผ่านกองฟอนนี้ไปได้ทุกอย่างก็คงจะเติมเต็มเป็นคืนแรกที่มาปักกรดนั่งสมาธิภาวนาต่อหน้ากองฟอนที่ศพถูกนํามาเผาที่นี่เป็น10เป็นร้อยศพมีน้นําหนองน้ําเหลืองเลือดเน่าๆปะป น, นกันกับเท้าฐานมากมาย จากคณิกะสมาธิที่เรียกกันในหมู่นักปฏิบัติว่าสมาธิแบบลมโชยมาขึ้นเป็นอุปจารสมาธิสมาธิที่เป็นแก่นสารดวงจิตก็ยึดมั่นอยู่ในสมาธิเตรียมจะยกจิตขึ้นต่อไปพลันนั้นจมูกก็ได้กลิ่นเน่าอย่างรุนแรงเข้าจมูกค่ะจนพระภิกษุรูปนี้สำลักนะคะ มันเข้าไปในลําคอก็รู้สึกขย่อนอุปจารสมาธิก็หล่นลงมาทันทีพร้อมกับลืมตาขึ้นมาดูแล้วก็นึกในใจว่าเอะนี่มันอะไรกันว่าใครเอาหมาเน่ามาทิ้งไว้มันช่างมักง่ายจริงๆพระภิกษุรูปนี้ก็เลยถือเทียนออกเดินส่องหาหมาเน่าหรือว่าอะไรเน่านี่แหละค่ะที่ทำให้ได้กลิ่นเน่าเข้าจมูกเดินวนอยู่สามรอบก็ไม่พบความผิดปกติก็เลยกลับมานั่งสมาธิอีกครั้ง โดยก่อนหลับตาก็ได้บอกกับตัวเองว่าอย่าให้อะไรเข้ามาทำลายสมาธิเพราะว่าหากยกจากอุปจารสมาธิจะมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจนถึงปฐมฌานคราวนี้พอได้กลิ่นเหม็นเน่าม่ได้ยกจิตเข้าไปใส่ลงในกลิ่นเพราะหากเอาจิตเข้าไปจับจะลุกขึ้นมาขย้อนอีกเมื่อจิตไม่จับกลิ่นเหม็นก็ทาอะไรไม่ได้จึงนั่งสมาธิจนดารงอุปจารสมาธิไว้นานขึ้นแต่ไม่ยกขึ้นไปอีก ก็เลยออกจากสมาธิเพื่อที่จะมาเดินจงกรมบ้างสลับกันจนเสียงไก่ขันเนี่ยร้องออกมาก็แปลว่าเป็นรุ่งสางแล้วนะคะก็เลยต้องออกจากสมาธิเพื่อที่จะมาส่งน้ำเตรียมบินธบาตรตามที่สมเด็จพระบรมครูได้ทรงให้หลักปฏิบัติไว้ให้ทำหน้าที่พิกขุให้ได้สมบูรณ์ที่สุดคือการถือบาทออกเดินโปรโดสัตว์ให้ลดความตรหนีลงคืนนี้เป็นคืนที่2แห่งการปฏิบัติสมาธิหน้ากองฟอน บรรยากาศในคืนนั้นดูวังเวงแสงเทียนถูกจุดให้ความสว่างแบบวอมแวมฉับพลันก็มีเงาประหลาดอันเกิดจากแสงเทียนวูบวาบชวนให้หน่ากลัวเป็นที่สุดพระภิกษุหนุ่มนั่งสมาธิในใจก็คิดว่ า, าวิตกนะฮะว่าเมื่อคืนนี้แค่กลิ่นวันนี้จะมีรูปและก็มีเสียงเพิ่มเข้ามาไหมนะพร้อมกับปลอบใจตัวเองค่ะว่าเราครองจีวรนถือศีลิข้อเหมือนสวมเกราะทองแดงป้องกันการหลอกล้อ อาวุธอันร้ายแรงของผีคืนนี้จะได้เห็นกันหลับตาลงเข้าสู่คณิกะสมาธิจนอุปจารสมาธิฉับพลันนั้นค่ะก็เหมือนคืนก่อนกลิ่นเน่าโชยมาเข้าจมูกแต่ว่าไม่ถึงกับขย้อนเพราะว่าเตรียมตัวเตรียมใจมาไว้แล้วนะคะเมื่อกลิ่นทําอะไรไม่ได้คราวนี้เสียงเริ่มมาแล้วล่ะคะ่ะเริ่มจากเสียงต่ําคล้ายอึ่งอ่างพัฒนาขึ้นเป็นเสียงคล้ายจิ้งหรีดจากนั้นสูงขึ้นนะคะจนแก้วหูสัน่น จิตเริ่มวันว่นวหวแม้แต่คณิกะสมาธิยังดำรงไว้ไม่ได้โลกโครงเคลงไปมาร่างที่นั่งสมาธิเหมือนถูกโยกไปโยกมาเสี้ยวหนึ่งของจิตค่ะที่เกิดวิตกแบบแวบขึ้นมาว่าจะไปกลัวทาไมมันเป็นแค่มายาทั้งนั้นก็อย่าไปยึดติดกับมันพอระลึกได้จึงเร่งภาวนาจนจิตเริ่มเข้าสู่คณิกะสมาธิอีกครั้ง แต่ว่าคราวนี้ค่ะเป็นเสียงวัตถุหนักๆถูกโยนเข้ามาตกอยู่ข้างตัวเสียงดังตึก๊กจนแผ่นดินสะเทือนถึงกับลืมตาขึ้นในความมืดมิดของคืนข้างแรมกลับมีแสงสว่างสีนวลอยู่โดยรอบกองฟอนเหมือนกับพลายน้ำบนหน้าปัดนาฬิกาปลุกแต่ว่าสว่างแล้วก็เรืองกว่านะคะในท่านกลางแสงสว่างร่างอันไม่สมประกอบของอนมนุษย์ก็ปรากฏขึ้นค่ะบ้างคอขาดแขนขาดขาขาด หน้าท้องเปิดมองเห็นไส้ออกมาจุกปากแผลที่เปิดไอ้ที่ดังตุบแล้วก็กลิ้งหลุนๆ ล, ลงมาตรงหน้านี่คือหัวมนุษย์ที่ขาดเหลือแต่คอค่ะดวงตา ย, ยังคงลืมโพรงถึงตอนนี้สติกำลังจะแตกเพราะว่าความกลัวซึ่งหากลุกวิ่งรับรองได้ว่าต้องเป็นบ้าอย่างแน่นอนฉับพลันสติก็ได้บอกกับตัวเองว่าพุทธทางสังมิหัวใจพรตะตนตรยัยที่มีคาเต็มว่าพุทธทางสารนังทัฉามิ ทำมังสะระารนังคัดฉามิสังทังสะระารนังคัตฉามิก็เริ่มภาวนาในใจเนี่ยะว่าพุทโธพุทธังอรหังพุทโธไม่ยอมหลับตาค่ะให้มันรู้กันไปว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดพลังอุ่นๆไหลเวียนไปทั่วร่างร่างของอมนุษย์ไม่สมประกอบเหล่านั้นก็เริ่มมีสิ่งที่หายไปแล้วก็งอกขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างอามนุษย์ที่สมบูรณ์อีกครั้ง ถึงอย่างไรนะคะก็ยังคงน่าสะพรึงกลัวเพราะว่าอมนุษย์เหล่านี้เนี่ยไม่ยอมละจากไปแต่ว่ากลับส่งเสียงร้องอื้อองเซงแซ่ขึ้นมาก่อนที่แสงสว่างเรืองจะดับหายไปพร้อมกับภาพปีศาจพระภิกษุหนุ่มได้หลับตาเข้าสู่สมาธิอีกครั้งคราวนี้เข้าอุปจารสมาธิได้นานขึ้นพอจะยกจิตขึ้นเสียงดังเปรีย้ยดังขึ้นเหนือศีรษะค่ะเหมือนกับอะไรอย่างไรอย่างหนึ่งเนี่ยคือหล่นลงมาเฉียดศีรษะไปตกอยู่ข้างตัว ก็เลยต้องลืมตาขึ้นดูเห็นว่าเป็นกิ่งไม้ขนาดใหญ่เนี่ยมันหักแบบสดๆหล่นลงมาแต่ไม่ถูกร่างกายตอนนี้เองที่กำหนดจิตแผ่เมตตาบอกว่าสัพเพสัตตาอเวราหนตุตัวอาตมาไม่ได้มาลองดีหรือมาทำร้ายท่านแต่เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งตามรอยสมเด็จพระบรมศาสดาพึงอย่าเบียดเบียนกันเลยอาตมาจักปฏิบัติธรรมต่อไปพอ แผ่เมตตาเสร็จนะคะพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ก็ลุกขึ้นเดินจงกรมบรรดาพูดผีปิศาจก็ไม่ปรากฏร่างให้เห็นอีกเพียงแต่ส่งเสียงและก็ส่งกลิ่นมาตลอดเวลาจนกระทั่งใกล้แจ้งค่ะพระภิกษุหนุ่มจึงได้ยุติการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะเตรียมตัวออกบินทบาทนะคะก่อนจะปฏิบัติธรรมต่อไปการปฏิบัติธรรมแบบถวายชีวิตตลอด6วันนี่ถูกรบกวนโดยตลอดจนมาถึงวันที่7ด ทุกอย่างจึงสงบเงียบปีศาจมานได้พ่ายแพ้แก่อํานาจแห่งจิตของพระภิกษุหนุ่มที่ยึดมั่นในพระพุทธคุณอย่างถึงที่สุดยอมแม้แต่ตายหากพ่ายแพ้แก่ปีศาจมานทั้งปวงคุณผู้ฟังคะพระผู้รู้แจ้งธรรมได้อธิบายว่าสิ่งที่พระภิกษุหนุ่มเจอคือวิญญาณที่เป็นสัมภเวสีที่ทําอกุศลกรรมตลอดชีวิตจนกรรมมาตัดรอนแต่ก็ยังไม่อาจไปเกิดได้แม้อยากจะได้กุศลเพราะความหิวโหวย แต่ก็ไม่สามารถที่จะรับได้เพราะว่าอากุศลกรรมที่ทำมาเป็นอุปสรรคขวางกันทำให้เกิดเป็นมิจฉาทิฐิคอยทำร้ายพระภิกษุที่เข้ามาปฏิบัติธรรมในเขตที่เป็นของตนเองและก็ที่ตัวเองเนี่ยมีอำนาจอยู่แต่ก็ไม่อาจที่จะต่อสู้กับอำนาจแห่งจิตที่ยึดมั่นในพระพุทธคุณของพระภิกษุหนุ่มที่ปฏิบัติธรรมจนในที่สุดนะคะก็ต้องยอมพ่ายแพ้แก่บารมีธรรมค่ะ เรียบเรียงจากคำบอกเล่าของพระอาจารย์สุพจน์พุทธสโรวัดหนองดินแดงใต้หมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะสามารถสื่อสารแล้วก็พูดคุยกันได้ค่ะนั่นคือช่องทาง Facebook นะคะคลิกเข้าไปที่ w w w f a c e b o o k c o m พระเจอผี แล้วกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวต่างๆทั้งเรื่องเล่าเรื่องลี้ลับเรื่องของพระภิกษุหรือว่าจะเป็นเรื่องตำนานในช anel บน YouTube ของเรากับช anel น, น, นี้พระเจอผีวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ